เร า, าทุกเดือนในนิทาน <laughs> เนียาวว่างๆกับเราไปส่งเด็กนะนิทานนิทานเอาสาระมาได้ก็เป็นนิทานวันยังคำํำเร่งควายเท่ามนะันจะควายนมนะควายเท่าด้วย เอรในป่าป่าแห่งหนึ่งเนะี่ยมันจะมีควายป่าอยู่ตัวหนึ่งเป็นควายที่เอาแต่ใจตัวเองแล้วก็ไม่มักจะกลัวใครนะเดินก็เดินคนเดียวไม่เข้าหมูเข้าฝูงเข้าอะไรกับเขานะ เป็นมาตั้งแต่เล็กตั้น้อยตั้งแต่ออกมาก็ไม่เอาใครละถึงเวลากินนมก็กินกินเสร็จก็ไม่ไม่ซุน ไ, ไม่ยุ่งกับใครไม่เข้าเพื่อนไม่เข้าฝูงเขาจะไปเชี่ยวไหนก็ไม่ไปกับเขานะไมื่เป็นแกะดําในฝูง น, นั่นนะตอนนั้นมันยังไม่เท่า <laughs> ยังเป็นควายเด็กอยู่วะต้องเล่าก่อนเราชิมมาก่อนะ ควายเด็กตัวเนี้ยเออจะมีลักษณะแตกกับตัวอื่นครับว่าขนเขาจะเงาดำเยี่ยมเลยเป็นลักษณะเด่นเด่นกับควายทั่วๆไปแล้วควายตัวอื่นเขาจะเก่งใจเขายังไม่ได้สมนัยะนายว่าเป็นพญาควายยังยังเป็นเด็กอยู่นะยังยังควายเด็กอ แต่ละด้วยความเป็นผู้ที่มีตะบะนะตบะแก่กล้ามาในการก่อนในเวลาเขาจะย่างเยื้อเดินไปชิ่นไหนเนี่ยสัตว์ด้วยกันก็จะมีความสุขเก่งใจไม่ค่อยเข้ามายุ่งไม่ค่อยพูดกันได้จะงีงงงอะไรฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮราฮาฮ่าฮราฮาาฮ แคนี้อยู่ไปอยู่มาเขาก็เจริญเติบโตเป็นควายหนุ่มใช่ไหมกำลังเขาก็มากกว่าควายตัวอื่นเขาเวลามีเรื่องเขาทะเลาะ ก, กันระหว่างเพื่อนกับเพื่อนด้กันเนี่ยในในหมู่ฝูงด้วยกันไอ้ตัวนั้นทะเลาะ ก, กับตัวนี้ปุ๊บพอไอ้เจ้าตัวควายตัวนี้เดินเข้าไปไอ้พวกนั้นเงียบหยุดแค่มองนะแลกเหวิดแลกเ i วิดกันเด็ดขาดไม่เหวด วันหนึ่งมันเกิดพายุพายุแรงจัดมากมีฝนตกกระหน่าอย่างมากนะน้ําป่ามันก็ไหลทาให้ฝูนี่มันแตกกระจายกันเป็นคิดคนละทิศคนละทางต่างบางตัวก็ไหลไปตามน้ําบางตัวก็เกี่ยวกับเอดกิ่งไม้เอาไว้เขานะชนเอาไว้เงี้ยดันตัวเองเอาไว้อาอย่ได้ แต่ควายตัวนี้กัไม่ตกใจในในกระแสของสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าฟ้าจะร้องฝนจะตกลมจะแรงเขานะเขาก็จะนิ่งดูกับสิ่งที่เกิดขึ้นยังไม่กลัวความตายเข้ามาเยือนหรือภัยอันตรายอะไรใดๆแต่ควายตัวอื่นเขาวิ่งกันพลาดในหมดตัวเล็กตัวใหญ่ก็วิ่งหลบปิ้งหนีกันไปไหลไปตามสายน้ํากันบ้างก็มีอืมวันนั้นเป็นวันที่แปลก ฝนตกสามวันสามคืนน้ำท่วมป่าน้าท่วมป่ากุยตัวเนี้ยไอตัวดำผิดเนี่ยนะดำผิดผิดดำแบบไห น, นดำเมี่ยมน ะ, ะ <laughs> ไม่จมน้ำระดับน้ำคือท่วมตัวล่เลยนะแต่ตัวเขาไม่จมน้ำเขาก็ยืนอยู่เขาอยู่อย่างนั้น สามวันสามคืนก็ไม่ทําอะไรถามว่าเขาคิดอะไรอยู่ติงตังติงตังติ้งตังแล้วก็ไปดูใจเขาใช่ไหมแล้วก็คิดอะไรทําไมเขาไม่กลัวความตายไม่กลัวอันตรายอะไรเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเขายึดมั่นหมายมั่นตัวเขาว่าเขาเนี่ยเก่งเขาไม่กลัวดินฟ้าอากาศเขาไม่กลัวสัตว์ทั้งหลายเขาไม่กลัวภัยอันตรายทั้งหมด เขาถือว่าเขาเก่งใจของเขาเนี่ยหนักแน่นกับความเป็นตัวของเขาสูงมากตาบะมันจึงแก่กล้าใช่ไหมความนิ่งความสงบอะไรของเขามันว่ามันกดทุกอย่างที่ไม่ว่าจะเพลนภัอันตรายมากมายเพียนใดเขาก็ไม่รู้สึกสะทกสะท้านกับมันเลยเพราะความนี้คิดว่าเขาไม่กลัวอะไรเขาคือหนึ่งในตองอูอ่า สายน้ําจะท่วมยังไงแต่ว่ากําลังจิตของเขาเข้มแข็งเขาคิดว่าน้ําไม่สามารถจมเขาได้กระจมเขาไม่ได้ลมให้แรงแค่ไหนก็ไม่สามารถกระทะให้เขาต้องเคลื่อนตัวไปได้น้ําจะมีไหลายเชี่ยวยังไงก็ไม่สามารถจะเคลื่อนในเขาได้กระดิกมีความหวั่นไหวกับกระแสน้ําได้เลยนี่มันเหมือนกับพิญญามไหมเหมือนเป็นอารมณ์เดียวอารมณ์ที่มีความมั่นคงเป็นอารมณ์เดียว นี่ควายพิญญานอะแต่ไม่ได้ทรงกับพิญญามาจึงแค่ส่งกําลังของจิตใช่ไหมถ้าจิตมันแก่กล้ามันก็สามารถฝึกกับพิญญาได้ใช่ไหมอันนั้นเห็ว่าเขาไม่ได้คิดมไม่รู้ว่ามันคือกําลังอะไรแต่สิ่งที่เขาไม่เคยกลัวอะไรไม่มองเห็นสิ่งเหล่านั้นเป็นเรื่องสําคัญอคือคนเอื่นต้องกลัวใช่ไหม อ, อย่างเด็กๆ ก, ก็ฝึกพิญญากันที่เขาใคร่าดเนี่ยโดดลงไป ทิปลงไปอย่างเงี้ยถ้ากลัวก็ฝึกไม่ได้เพราะนั่นแปลว่าใจมันยังมีสัญญาอยู่ว่าสิ่งนั้นจะต้องเป็นภยัยต่อเขาถ้ากระโดดลงไปเขาต้องเจ็บแล้วต้องตายใช่ไหมเหมือนกันมปนลักษณะเดียวกันว่าเมื่อท่านวกวตัวนี้อยู่ในสภาพที่เขาจิตเขามั่นคงกับตัวเขาเองเขาจึงไม่รู้สึกว่าไอ้ภัยภายนอกมันสาคัญอะไรมันก็เลยทาอะไรเขาไม่ได้ เมื่อสาวันผ่านไปน้ำค่อยๆลดลงไปรถลงไปสัตว์ทั้งหลายไม่ว่าสัตว์เล็กสัตว์นว้อยสัยว์พากันทึ่งอึงกิมกีทึ่งในความเป็นตัวของเขาอะนะทีนี้ก็เกิดความอะไรพยองใช่ไหมควายมันก็เริ่มพยองเนี่ยตัวเองเนี่ยโหนี่กูนี่เก่งกูนี่ทำอะไรที่คนอื่นทำไม่ได้ ทุกตัวเนี่ยต้องคารวะอ่าให้ความเริ่อมใสเริ่มใ ส, ม, สมันคงเคารพเคารพแบบคนจีนนะเริ่อมใสเริ่มใ ส, ยมสยอย่างนั้นนะทีนี้ไม่ว่าเขาจะทําอะไรพวกนั้นจะต้องทําตามหมดอทําทตามหมดวายตัวนี้เดินไปไหนมันเดินตามเป็นทวนงเดินตามเลยแต่ก่อนเขาเป็นคนที่ไม่ชอบตามใคร และก็ไม่จให้ใครตามเข้ามาเมื่อเขาในสายตาของคนไอ้ตัวอื่นๆมองเขาเป็นคนเก่งถ้าอยู่ใกล้เขาไม่ต้องกลัวอันตรายคราวนี้มันก็ตามเป็นพวนอ่าไอ้กือตามันเป็นพวนไอ้ตอนนี้แหละตอนที่เริ่มรู้สึกว่าความเป็นตัวของเขาเองเริ่มลดกําลังลงมาความเด็ดเดี่ยวที่เขาเคยเป็นมันเริ่มถอยกําลังลงมา พรเขารู้สึกว่าคนเหล่านี้มันเป็นภาระของเขาไปแล้วตัวเหล่านี้นะควายประเภทนี้ยเป็นฝูงเนี่ยอืมพอมันเป็นภาระาของเขาไปเสร็จแล้วกําลังใจที่เคยหนักแน่นเข้มแข็งมันก็ล้าลงมาอ่อนอ่อนโยนอ่อนโยนไปมองเออ่ลูกควายตัวนั้นควายแก่ตัวนี้ในแม่แก่ตัวนั้นในเงนี้ยนะเอ้ยจะตามมามันจะเป็นยังไงมันจะเดือดร้อนกันยังไงตรงไหนก็ต้องคอยใช่ไหม คือไม่ไปมันเขาก็เลอยดช่วยหน่อยอันนั้นหน่อยไอ้ น, นี่หน่อยอันนี่นไม่ทํายังไงเขายกยอ ป, อป้อนให้เป็นใหญ่แล้วคิดค่านะจั ก, กรพรรดิเหมือนกันอันนี้จั ก, กรพรรดิควายคิดค่าควายด้วยกันอชีวิตเขาก็ดำเนินอยู่อย่างเนี้ยอยู่สักระยะหนึ่งจะเกิดอะไรขึ้นในระหว่างนั้นในความคิดของเขาคิดดูสิ ติตง้ตงตองติงตงความเบื่อหน่ายเป็นภาระความเบื่อหน่ายความน่าเบื่อกับเรื่องที่ต้องกระทำในสิ่งที่ตัวเองไม่ได้อยากจะทำเริ่มมีแล้วคือเรื่องมันจะต้องเกิดขึ้นมากในสังคมของควายเดี๋ยวมันก็ทะเลาะกันเดี๋ยวมันก็แย่งหัวกันแย่งเมียกัน จับคู่กันว่าจับคู่กันมาได้กันมันก็ฝึกกันนะฮะเดี๋ยวได้อาหารในพื้นที่ที่ไม่เพียงพอแล้วมันก็แย่งกันกินไอ้ควายที่เป็นผู้นําก็ต้องคอยจัดการไก่เกลือคอยไปยืนห้ามมันไอ้ชายจะสงบก็จะไปยืนมองมันเรียวเงี้ยอ่าเนี้ยมันก็หยุดอควายมองตางขวางไป <c ười> แค่สายตากระหยุดแล้วแล้วก็ไปภาระถูกไหยเป็นภาระของควาย อ, อทําอยู่อย่างเนี้ยคิดอยู่ต้องเจแต่เรื่องอย่างนี้ตลอดไปละแล้วก็มีอยู่แล้วก็มีอยู่วันวันหนึ่งที่พระอาทิตเริ่มตกดินแล้วก็พาลูกพวกควายได้กันขุงควายเนี่ยเคลื่อนตัวไปที่สระน้ํากว้างๆควายตัวนี้ก็เราไปจุมปากเราไปในน้ํา น้ำมันก็เลยกระเพื่อมพะน้ํากระเพื่อมในไอแสงพระชาทิตที่มันตกไปนในน้ำเนี่ยมันก็มีการสัน่นเลยยิบเลยยับเลยยับเลยยับเลยยับความรู้สึกของของกวายตัวนั้นก็คิดว่าเออมันสงบเขาเขารู้สึกคว า, ามสงบกลับมาอีกแล้วแต่มันเป็นคว า, ามสงบที่มันเหมือนกับสมัยก่อนที่เขาสงบ สมัยก่อนเขาสงบมันเป็นความสงบแบบแข็งกระด้างที่ไม่เอาใครแต่นี่เขามาเจอกับภาระทั้งหลายที่มากมายยาวนานหลายปีผ่านมาวุ่นวายไม่ไม่มีความสงบใจเลยถ้า ม, มาเจอไอ้สิ่งที่มันสะท้อนแสงขึ้นมาแล้วมันมีประกายแล้วยิบยับต้องแสงสีต้องทองนะเป็นทองและยับเป็นประกายสว่างสว่างเป็นประกายขึ้นมาจิตตัวเขากินน้ำปุ๊บก็เงยมองเห็นมันก็เลนิ่งอยู่ตรงนั้นนานพอสมควร มองเพลินไปสงบไปนานจนกวายตัวอื่นๆก็สงสัยว่าทำไมปากจุ่มในน้ำอยู่อย่างนั้นไม่ยอมเงยขึ้นมาหรือว่าจะมีอะไรในน้ำลูกเด็กเล็กแดงก็พากันน่ะค่าเรียกอะไรปุดชาวิปัสนากันจับกลุ่มคุยกันจับกลุ่มวิาพากษ์วิจารณ์กันว่า นายเราเป็นอะไรนายทำไมเอาหน้าจุ่มแล้วไม่ยอมขึ้นนายเราจะตายหรือเปล่าหรือว่าในน้ำมันมีนายเห็นอะไรอย่างนั้นนะเขาก็าส่งเสียงกันเจ้าเจ้าวเจ้าวเจ้าเจวจเนี่ยไอ้เจ้ า, า, าตัวนี้ก็ยังไม่สนใจจนเขารู้สึกว่าแสงพระอาทิตมันค่อยๆหายไปหายไปความมืดมาเยือนแล้วเขาก็เริ่มคลายตัวออกมาอ่าพอคลายตัวออกมาก็หันไปเจอไอ้พวกนี้นก็จ้องมองกันเป็นแ อต่างคนก็ต like ่างซักถามด้วยเสียงเยวาจ้ากันมากอัเนี่ยกระามให้นี่กระามให้กระามนี่นุชใช่ไหมวายตอนนั้นไม่ตอบสักคำเดินไปเฉยๆเดินไปท่านี้ไม่เดินเหมือนเหมือนคนแบบขึงขังเหมือนคนคอยควบคุมนะเดินเหมือนคนปล่อยวางต้องเดินสิใครเดินสักตัวดิ เดินปล่อยวางเดินยังไง <g ül üyor> เดินเมื่อคนปล่อยวางแล้วมันมันคือเราเขาได้รับความสงบใช่ไเขาไม่อยากรับรู้เรื่องภายนอกอจิตมันยังสู่ในฌานเลยนะก็ะจึงไม่อยากจะสนใจอารมณ์มันก็จะจืดชืดก็เดินก็เดินเมื่อคนจืดชืดไปดุมดุมดุมไปเรื่อยๆทีนี้เดินไม่หยุดแต่สิไอ้กวายตัวอื่นก็สงสยัยว่าหัวหน้าไปไหน มุดค่ําแล้วจะไปไหนใช่ไหมปกติมปนเวลาที่ต้องนอนอ่าต้องนอนไอคนที่เขาไม่สนใจเขาก็ไปหลับไปนอนกันไปอ่าไอพวกเด็กๆก็ไปนอนกันไปบางตัวที่เขาใกล้เชิดสนิทสนมหน่อยเขาก็สงสัยเขาก็เดินตามเดินตามว่านายเราไปไหนนายก็ไม่มองซ้ายไม่มองขวาก้มหน้าเดินดุมดุมดุมดุมอะไายนี้น่ะ ไอ้คนนี้ก็เดินตามตามตามแต่มไม่รู้มันตามทําไมรู้อยู่เดียวมันต้องตามคลิกแค่นั้นนะก็ตามไปคราวนี้มันไกลจนเรียกว่าหลงฝูงก็มีที่พวกตามมาไม่กี่ตัวที่มันตามมาด้วยความสงสัยไอ้คนนั้นก็อยู่ข้ามันอย่างนั้นพอมาถึงจุดที่เขาเป็นหน้าผาเนี่ยมันไปเรื่อยใช่ไหมมันนี่ไปทางไปแล้ว มี่ทางไปแล้วกายที่เป็นพระเอกเขาก็เลยมองดูมองดูความเวิ้งว้างว่างเปล่าในอากาศที่มองแต่งล่ามันลึกดุดดังเหวนะเลึกมาต่อมาเล็กๆเล็กก็มันกว้างมากเนินเนี่ยก็ยืนจ้องมองในอากาศที่เวิ้งวางว่างเปล่าเขากลับคิดได้อะไรติ้งตองต้งตอง เออเขาคิดถึงสิ่งที่มันไม่มีอะไรไม่มีถ้าเราไม่มีไม่มีอะไรเลยแล้ว เ, เป็นคนคนเดียวเราจะมีความสุขมากแล้วไม่มีภาระไม่มีหน้าที่ไม่ต้องรับผิดชอบไม่ต้องรับรู้อะไรเลยใช่ไหมในสายตาเขาก็มองไปในความว่างๆไม่มองไปยังล่างนะเขาเปรียบประดุจมาว่าข้างล่างเนี่ยมันเหมือนกับ สัตว์เล็กสัตว์น้อยที่เขาก็ต้องดูแลมันต้องคอยมองถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นอยู่เสมอจะเมื่อมองไปข้างบนมันไม่เห็นอะไรก็คือไม่มีสัตว์ให้เห็นเขาอุปมาณเขาเปรียบเทียบอย่างนั้นเหมือนความว่างเปล่าทุกอย่างไม่ได้มีอะไรเมื่อไรอยู่ในสิ่งที่ไม่มีอะไรเลยมีความสุขดีกว่าพอเขาคิดได้อย่างนั้นปับ๊บเขาก็เดินกลับเดินกลับแล้วก็เดินดุ่มดุ่มดุ่มดุ่ ม, มต่อไป เดินอย่างคนคุ้นคิดคราวที่แล้วเดินอย่างคนไม่อยากคิดอ่าพอมาเจะเหวเดินกลับอย่างคนคุ้นคิดอ่ก็คุ้นคิดถึงสิ่งที่ผ่านมาตั้งแต่ยังเป็นกวายองค์อาจส ง, งา่างามใช่ไหมอดตอนว่าเป็นคนมีความเก่งมีตะบะแกะ่กล้ามีอะไรก็ว่าไปจะนะกุบคนสรเสริญเยินยอป้อปัน้นยกตนให้เป็นนายคอยดูแลปกปักรักษาใช่ไหม และเหตุการณ์ต่อมาคือหน้าที่ที่เขาต้องคอยปกปักรักษาดูแลก็ล้นแล้วแต่เป็นเรื่องอะไรเรื่องที่วุ่นวายแล้วเมื่อเขาพัดผานจากสิ่งสิ่งที่เขาวุ่นวายออกมาปุ๊บเขาจึงมาพบความสุขอีกแบบหนึ่งที่เป็นไม่มีอะไรเลยควายตัวนี้เดินกลับด้วยความคุ้นคิดไปเรื่อยๆเรื่อยๆควาชที่ตามมาไม่กล้าถามอะไรแล้วไม่รู้เขาทาอะไรแล้วก็มารู้เขาคิดอะไรด้วยอคิดอ ย, อย่างเดียวว่าเขาจะไปไหน จะต้องตามไปอย่างเดียวเขาจะไปไหนจะทำอะไรต่อไปวานิชนี้ก็เดินไปเดินไปเข้าไปในเขตป่าที่มีต้นไม้หนาทึบมากมีความชื้นสูงนะเดินผ่านมันก็จะมีเสียงน้ำหล่นแปะแปะตามใบไม้เนี่ยน้ำค้างเนะี่ยหล่นแปะแปะมันก็จะกระทบผิวเขามีความรู้สึก พอเขารู้สึกว่ามันมีความรู้สึกเกิดขึ้นกับผิวหนังของเขานี่มันเย็นแต่มันเย็นเจ็บเจ็บเข้าใจไมันไม่ได้เย็นเย็นแบบเบาเพราะน้ํามันตกลงมาแปะแปะอย่าเงี่ยตลอดเส้นทางที่เขาผ่านไปเขารู้สึกได้ถึงสิ่งที่มันกระทบผิวเขาเขาก็อุปมาอีกอุปมามันว่านี่คือสิ่งที่มากระทบจากภายนอกถ้าเราแม่รับรู้เราก็ไม่รู้สึกอะไรกับสิ่งที่มากระทบ ถือว่าเปนเรื่องปกติธรรมดาว่าน้ำมันต้องตกจากที่สูงลงที่ต่ำเมื่อมันอยู่ในป่าที่มีความชื้นมันก็ต้องมีน้ำค้างที่จะตกลงมาเป็นธรรมดาถ้าเราไม่ต้องการจะผ่านให้น้ํามันน้ําค้างตกลงมาถึงหลังเราเราก็อย่าเข้ามาในเขตของป่าเพราะตอนที่เราอยู่นอกป่าเราไม่เจออาการแบบนี้นะเขาทําความยอมรับความเป็นจรงิงอืมปิดม่านข้างนี้แสงจะได้ไม่ไป จ้ารือป่ากันไปก็ทําความยอมรับความไปจริงอีกข้องและนะว่าสิ่งที่ทําให้เขาทุกไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งภายนอกอเขารับรู้คามสิ่งที่เกิดขึ้นตามที่ที่เกิดขึ้นกับเขาก็จริงแต่ถ้าเขาไม่สนใจละ่ะไอถ้าเขาไม่สนใจน้ําค้างที่ตกลงมาเนี่ยเขาทบผิวเ้าละ่ะไม่ได้เกิดอะไรขึ้น เขาก็เลยนึกถึงอากาศที่เขามองดูว่ามันไม่มีอะไรความฟังไม่มีอะไรตะบะอย่างหนึ่งที่เขาเคยทํําทามาก่อนมันก็กลับคืนมาสมาธิที่เขาเคยบําเพ็ญวรลลเมงเข้ามาในชาติก่อนๆมันก็กลับคืนมาพอมาเข้าสู่ความว่างป่าปับเขาไม่รู้สึกเลยว่าน้ําเย็นน้ํากระทกเขาเดินเข้าไปเรื่อยๆตาก็ยังเห็นหญ้าอยู่ยังเห็นน้ําตกออกมาอยู mm hmm. ่เบื้องหน้าที่ผ่านเขา แต่เขากลับไม่รู้สึกว่าน้ำมันมันโดนดกระทบเขาเลยแม้สั่นิดเดียวไอ้ควายตัวนี้เก่งั้ยเราแพ้ควายอืมอ่าสวดสัตว์เาชะไม่ได้ซะแล้วไอ้คราวนี้เมื่อเขาผ่านสิ่นี้ไปแล้วเขาก็พ้นเขตป่าใหญ่ใช่มใไหมเขตป่าใหญ่ก็จะไปเจอผู้คนมากมายมันเป็นหมู่บ้าน มันเป็นหมู่บ้านซึ่งเขาไมเ่เคยพบผู้คนมานานแล้วตั้งแต่เขาเกิดมามีผู้คนในหมู่บ้านเล้วก็อยู่กันจะเป็นบ้านเป็นหย่อมสองย่ําซ้ําย่อมเนี้ยนะมันเป็นเป็นเนินข้างล่างเนี้ยเขาขึ้นมาที่สูงมันมองไปข้างล่างเนี้ยลาบลงไปตรงนี้ก็จะเป็นหมู่บ้านบ้านเล็กบ้านนา้อยเป็นย่อมหย่อมย่อมันบ้านในชายป่าของเขานั่นแหละเขาก็เลยเดินเข้าไปในที่นั้นเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าอันตรายมันมันจะเกิดขึ้นเขาทําำ่าเขาไม่ได้ เขาพูดไงเขาไม่กลัวเขาไม่กลัวอันตรายใดยๆที่จะเกิดขึ้นกับเขาตั้งแต่เลก็กแต่น้อยเขาก็ไม่กลัวอยู่แล้วถูกไหมนั้นผู้คนเขาจะกลัวทําไมแต่อีกวายที่ตามมาน่ะสิแหมมันก็คิดว่ามันไม่กลัวก็นายมันยังอยู่อาจจะกลัวทําไมเห็นไ่มไอ้ว่าแต่เรามีอันตรายเดินนายกระโชกเรา ได้เป็นไรนายเรวใหญ่ซะอย่างอะแล้กวก่อเขาก็เดินละกินหญ้าลงไปไปเล่นเล่ในระหว่างที่เข้าไปเขาก็เริ่มปล่อยวางเนล้วไม่ได้คิดอะไรมากเท่าไหร่เพราะคิดมาเยอะแล้วใช่ไหมเขาก็เริ่มปล่อยให้เป็นธรรมชาติ เ, เขาเรียกว่าชมวิวอ่าชมทัศนียภาพที่เขาค่อย ค, อยคอย่ลงไปเล่นเล่นะชมไปไปเสียงเข้าไปเขตในหมู่บ้านก็จะได้ยินเสียงผู้คนร้องไห้ อีกบ้านหนึ่งหัวร้องกันดังลั่นอีกบ้านร้องห่มร้องให้ใช่ไหมอีกบ้านก็ตะโกนด้วยเสียงอันหน้ารังเกียจหรอว่าตะโกนด้เสียงแบบโขกกันจะฆ่ากันจะทำร้ายกันอย่างนี้ในบ้านนะไม่ใช่นอกบ้านนะอ่าบ้านนั้นก็ตะโกนมีเสียงปึ้งปังปึ้งปังก็เตะกันยัดทางฝาหรือเปล่าไม่ทราบอะไรอบ้านก็นมีเสียงร้องให้เสียงเด็กร้องนะ อะไรอย่างนั้นเขาก็คิดว่าคนในคนในบ้านแต่ละบ้านเนี่ยเขาเป็นอะไรกันนะเขาเป็นอะไรกันเขาจึงแสดงสิ่งในปรากฏกัน์กวายเกิดอยากรู้ขึ้นมานะก็เดินเข้าไปดัมดัมดัมดัมเข้าไปมองดูใกล้ๆโดยบ้านนี้แล้วก็ไม่เห็นมีอะไรโดยบ้านนู้นก็เขาก็ไม่เห็นทําอะไรนะ ดบ้านนั้นก็ไม่เห็นมีอะไรพอโดไปอีกบ้านก็เปิดหน้าต่างมาพอดีจะเอะ๋เป็นชายหนุ่มจักกันคนหนึ่งนะร่างกายกายำดำเม้มนะเอออันเนี้ยพอเห็นกวายตัวนี้ปับ๊บคิดอย่างเดียวคือว่าต้องฆ่าเอาเนื้อมากิน นานๆจะมีควายหลงมาหาเศรษฐีวันนี้จะได้กินควายกันทั้งหมู่บ้านกันละใช่ไหมนักจักตัวหนึ่งแล้วก็จะมองไปในอีกหลายหลยตัวที่อยู่ข้างหลังอ <c oughs> าจจะได้อีกหลายหลายมืออา่าเขานี้เขาเค า, าะเกา ะ, ะป๊อกป๊อกป๊อาบ้านเขาก็ต้องตื่นว่ามันเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมพอเขามาตื่นตัวกันทั้งหมดเขาก็มีมันเริ่มค่ำเนี่ยเขาก็มีครบกันถือกัน คนละอันสองอันเดินมาไม้พา้าเต็มเรียบร้อยเสร็จอมาถึงบ้านของต่คนเนี้ยตจคนนี้เขาเล่าฟังว่ามีควายหลงหังมาเราก็ได้จะได้อาหารกินมื้อนี้แล้วกินได้อีกหลายวันเนื้อมันตาดแดดได้อยู่ได้อีกนานอชิ้นส่วนทุกชิ้นกูจะไม่เหลือตกไปถึงพื้นดินเลยเก็บหมดนานๆมันหลงประชีใช่ไหมไม่ใครเห็นควายหลงมาหลังน ะ, ะเขาก็จัดการเลย โหล้องกันดีใจกันใหญ่เลยนะผูนําก็ดีใจผู้ตามก็ดีใจถือมีถือพระถือห อ, อกถืออะไรถือลงไปเดินดุม่มอยู่ไหนนายอยู่ไหนมันไปทางนี้ฉันเห็นมันอยู่นี้นี่ร้อยตีนมันยังอยู่เลยอ่เขาก็เดินไปตามรอยตีนกันเอาไฟส่งเห็นตีนมันเนี่ยยังใหม่ๆ่ใหม่ๆอยู่เงนี้ไอ้กลายพวกนั้นได้ยินเสียงโหกระทึกกลึกร่องมาตามหลังห่างสักห้าร้อยเมตรได้อย่างเนี้ย มันมันมันเป็นชายทุ่งที่มันยากเรื่อยๆใช่ไหมอันพอเห็นได้ชัดๆเห็นแสงไฟปรากฏว่าปราว่าปราว่ามาข้างหลังไอ้ไฟพวก น, นี้ไอ้อยู่ข้างหลังนี่ไหมเตือนเน่เตือนท่ากตกใจวิ่งแสงข้างหน้าไป <c oughs> วิ่งแสงไปอยู่ข้างหน้าดักหน้านายไว้ไนายนายช้าก่อนหยุดก่อนนานหันหลังกลับไปดูหน่อยมันเกิดอะไรขึ้นนะ ต่นั่นนะเขาก็หันหลังไปว๊บแล้วหันกลับแล้วก็เดินต่อไปไม่สนใจแล้วเขาไม่โกรวนี่เขาไม่กลัวอันตรายเขาไม่สนใจสิ่งใดพวกเขาก็เดินเรื่อยๆปกติพวกนั้นก็าวิ่งกันตามมาเห็นแล้วเห็นแล้วโน่นโนนเห็นแล้วเห็นแล้วอ่าพอแสงวัน <inaudible> น kind of ั <m uk il ata> yeah, ้นม <m uk il ata> yeah, <chest> ันจะต้องเงาไอ้เข่าใช่ไหมมันมีวับแว๊บแตรงเนี้ยเนี่ยอยู่ตรงนู้นอยู่ตรงโน้นเขาก็วิ่งกันล้อมเลยล้อมร้อมล้อมกันแว๊บง่วงกว่า ควายที่เป็นผู้นําก็ยืนนิ่งๆควายที่เป็นผู้ตามก็ฉี่ลาบขี้แตกอ่าขีแตกก็ไปพูดสักคำว่าเรต้องกลัวทําไมเลยไหมเขาก็ยืนนิ่งๆเฉยๆอันนี้ก็เข้าๆเข้ามาเข้าๆเข้ามาเบียดตัวเข้ามาห้อมรอบนะเข้ามาเข้ามาก็ถือจ้งจ่งจะพุ่งอย่างเงี้ยเขาก็รู้ว่า ถ้าเราไม่ทำอะไรสัอย่างใดอย่างหนึ่งควน์ที่ตามเรามาพวกเนี้ยก็จะต้องมีอันตรายใช่ไหมลาพังเราคนเดียวเราจะไม่ทำอะไรเลยจะปล่อยโดยที่ก็ทาอะไรโดยอลบ้างเขคิดอย่างนั้นใช่ั้มแต่เมื่อกไวห์วเหล่านี้เขากำลังเดือดร้อนเราจะไม่ทำอะไรเลยไม่ได้ไคนที่มันทรงชาจะเป็นปกติ ไอ้นจิตเขานะหนึ่งตะบะแก่กล้าเข้มแข็งอยู่ด้วยแล้วเนี่ยเขาก็เลยเคลื่อนตัวไปประจันหน้าข้างหน้ากับไอ้ขนพลผู้นำเขาร่างกายบึกบึนดำเม้มคนแล้วนั้นก็โหคือไม่อยากให้ฝ่ายมันวิ่งหนีไปไหนเขาพยาามกันไว้กันไว้กวันไว้กลัวมันจะวิ่งเ่ก็ต้องอยายามตีอยาามนะมันออกไปอ ควายตัวนี้ก็เดินเข้าไป ใ, ใกล้ๆเลยเดินไปประจันหน้ากับไอ้คนนั้นเลยนะทั้งๆที่คนนัน้นมันมีลูกน้องมีทุกคนกําลังถือหอกถือมีดถืออะไรเนี้ยเหล่านี้อยู่สามารถจะพุ่งติดฆ่าได้ทันทีแต่ควายตัวนี้กลับไม่รู้สึกว่าสิ่งนั้นคืออันตรายของเขาเขาเดินเข้าไปเลยเดินเข้าไปเลยแล้วก็จ้องมองหน้าแล้วก็พูดว่า <laughs> เออเรีนิทานะเวยเขาพูดภาษาใจแล้วเสียงของของใจของเขามันออกมาภายนอกนี่เขาได้อำนาจสมาธิไหมอํานาจสมาธิเขาพูดได้เขาก็พูดว่าท่านจะคิดทำร้ายพวกเรานะ่ะท่านคิดดีแล้วหรือ เออเป็นไงเจอคําถามแบบนี้แล้วควายโพดออกไปอย่างนั้นนะและ้วกลาคืนกลางคืนเนี่ยนะลองนึกถืนแล้วเสียงของเขาเนะี่ยมันดังกล้องทั้งป่านะเสียงที่ออกจากพลังสมาธิจิตเนี่ยที่ออกจากใจของเขามันออกมาเป็นเสียงได้เนี่ยป่าเขาไม่ได้ขยับเขยืขย่อนเท่าไหร่นะแต่เสียงจะออกมามันมันออกกล้องออกไม้พูดอย่างเงี้ยมันทําให้คนมันตะลึงไหม ตะลึงครั้งแรกยังตะลึงนะยั่งหยังหย่ง่ยังหยังกำลังทำท่าชงหนกันอยู่นึกอ้าในพวนนั้นก็เลยชงหนท่าทางอย่นะเขาก็พูดต่อไปว่าถ้าไม่อยากเดือดร้อนกลับไปซะอย่ามายุ่งกับเราเดอะครับเอเท่านั้นแหละ อะไรเกิดขึ้น <laughs> อะไรจะเกิดขึ้นลองด้ภาพดูเ <laughs> ว่งกาษแล้ว ไ, ไฟไฟทิ้งหมดเลย <laughs> ลืมเม็ดพองม็ดพา้าหลุดมือหรืมัม่หลุดมื อ, ม อ, มอวว่งกันโอ้โ oh ห oh, ตัวใครตัวมันไม่คิดชีวิตละแต่ไอคนที่มีกำลังหัวหน้ายังยังยั้งไว้ก่อนเพราะเขาก็มีปัญญาใช่ไหม มีปัญญาเขาจะไม่ตามอารมณ์มาอย่างนั้นเลยเขาไม่กลัวเหมอือนกันเนี่ยงั้นก็จะนําพวกชาวบ้านอไรอย่างใช่ไหม เ, เขาก็ไม่กลอกเขายั้งห้าไว้ใจดีชู้สู้เสือหรือเปล่ามันลู้เขาก็พูดสวนออกไปว่ากูไม่กลัวมึงมึงเป็นสัตว์กูเป็นคนมึงทําอะไรกูไม่ได้แต่กูทํามึงได้อา่าเขาพูดอย่างนี้อะอย่างนี้กวายมาถูกท้าทายจากมนุษย์ ก็รู้สึกในสายเดิมก็เริ่มกำเริบเกิดขึ้นมาทันทีน <laughs> ะว่าความที่ไม่กลัวใครอยู่แล้วไม่กลัวใครอยู่แล้วแล้วคิดจะจะสั่งสอนไม่คิดจะฆ่านะแคดแค่จะสั่งสอนไอ้เจ้าไอ้คนที่มันไม่รู้จักภัยอันตรายที่จะมาถึงตัวอย่างนั้นใช่ไมอมไปตัวนี้ก็เลยพูดออกไปอีกอย่างหนึ่งว่า ถ้าพวกท่านคิดว่าทำได้จงทำจงควายตัวเราสองสอแล้วก็เริ่มถอยหลังแล้เ ว, ว้ย <c oughs> <c oughs> อันนี้ไอ้บริเวณที่กั้นันมาอยู่ใช่ไหมถอยกลัวไปเลยหนึ่งร้อยเมตรแองตัวตางหาอ่าอันนี้ก็จะมีคนร่างกายกำยำประมาณสี่ห้าคนอหอกยา ว, ยาว ห อ, อกอยาวอีกคนก็จะมีขวานวอออาสีวแล้วก็หอกยาวสี่ห้าคนกับควายหนึ่งตัวหอสมดุญกันไหมอแล้วควายก็บอกว่าถ้าทำได้จงทำาเขาก็เริ่มบัเลงเลยนะอ่านึกภาพแล้วเขาบัเลงอย่างไงอ่า อ, อย่างนั้นอ่าแล้วคิดว่าเขาจะเจออะไร เป็นความว่างเปล่าก็เพราะว่าควายเขาจับความว่างเปล่าอากาศอยู่เขาก็คิดพิจารณาของเขาว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ล้วนไม่มีอะไรไม่มีอะไรจะมาทำสิ่งที่เป็นความว่างเปล่าเพราะเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วมันก็หมดเป็นไปในความว่างเปล่าเขาก็เลยจับความว่างเปล่าเป็นกำลังทรงจิตนิ่งอยู่ ตาเขาแข็งมากเขาไม่ได้หลับตานะกวายไมไ่หลับตานะมองจ้องมาเฉยๆแต่ในใจไข้ควรในในความเป็นจริงแล้วก็วางอารมณ์ลงไปในความจริงที่เขาคิดว่านี่คือสิ่งที่ไม่มีอะไรว่างเปล่าเราเป็นความว่างเปล่าเหมือนกับอากาศและจะไม่ถูกแตะต้องสิ่งใดๆพอเขาคิดอย่างนั้นตับจริงๆตัวเขาไม่ได้หายนะเขาอยู่เขาเยังแต่พวกนั้นมันทำอะไรมันมันหลุดหายไปพุ่งเลยพุ่งเลย พุ่งตัวเขาเนี่ยเห็นควายเนี่ยพุ่งไปในีหอกมันเลยเออกไปไมันเป็นเงาพุ่งลงไปตั้งหอกจมหอกจมทีออมนี้อาวุธมันตกหมดแล้วอ่ะแล้วก็ไม่เจ็บตัวควายเลยทีนี้ก็หลวงพ่อกกยก็เริ่มเกิดขึ้นแล้วก็กกยหน้าตั้งนวัดหน้าตั้งเริ่มนะอืปีคนปน่สิบนะยังเหละ อ่าหัวหน้าคราวนี้หนึ่งตอนหนึ่งอ่าหนึ่งตอนหนึ่งอ้ง <c oughs> เขามีวิชาสามารถจะสะกดสัตว์ได้ให้อยู่ให้สงบสามารถจะไม่เคลื่อนไหวได้ทำอะไรต่อเขาได้เขาจับได้เพราะเขาสามารถจะจับช้างได้จับสัตว์ใหญ่ได้ด้วยวิชาที่เขามีอยู่ใช่ไหมคราวนี้เขาก็เริ่มไล่มน่า ไล่มนเขาหนึ่งไอเสียงมนของเขาเนี่ยมันเข้าไปในโสดของหูชะหูของขวายหูของหอยกัรับรู้ว่านี่สิ่งนี้เกิดขึ้นแหละเขาก็นึกถึงหยดน้ําที่ตกหลังเขาแอบตกหลังเขาว่าเป็นสิ่งที่เข้ามากระทบแต่ถ้าเขาสนใจเขาก็ต้องรู้สึกสิ่งที่เกิดขึ้นอ่า เขาก็คิดว่ามันก็เหมือนอย่างที่เราเดินผ่านน้านั่นแหละไม่มีอะไรสิ่งที่มากระทบเราไม่สนใจเสยอย่างมันคืออะไรมันก็ไม่มีอะไรเสียงที่เข้าหายมันก็หายไปเลยไม่ได้รู้แล้วเขาพูดอะไรไม่มีอะไรกยก็นิ่งอยู่เฉยเฉยใช่ไหมไอ้นั่ก็คิดว่าเสร็จ ก, กูแล้วหวานนะขนาดช้างยังหยุดยังจอดใช่ไหมก้อยตัวน้อยแค่นี้ปะโถ จะคนามือเราใช่ไหมล่ะเอเขาก็เดินย่างแบบคนแบบอกูสบายมากกูจะจับตรงนั้นกูจะฟันเขาไปเก็บของเก็บมืดเก็บเอาขวาเลยวะฟันเลยจามแม่ข้างหน้าเลยจามข้างหน้าเลยนี่อเอาเฉาะกลางกลางน่องเลยกลางล่องเลยนะเอาข้างหน้าเลยชะเต็มเต็มเลยอย่างกะว่าอย่างนั้ น, อ น, นพอเขาจะเริ่มครับปุ๊บ ควายไงยกงวุบฝันชุดเสดยตัวเขา่าเด้งลอยขึ้นข้างบนสูงมากนะประมาณสูงเท่ากับยอดลำตาลกำลังของควายนะแล้วคิดว่าตกมาจะตายไหมนะ <laughs> รอดจะเก่งแล้วแหละเอะเอ ไอธานก็ค้างไว้เดือนหน้ากันแล้วกันนึ่งกวัยเ้ย <laughs> เวลาจะใกล้สวดม์แล้วเว้ย <laughs> เ่้อ